ก็ในช่วงของการปฏิบัติช่วงของการปฏิบัติเมื่อวานได้กล่าวกินนนำไปบางแล้วในเรื่องของเวทนาเพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้ก็จะพูดพูดถึงเรื่องของเวทนาที่ละเอียดขึ้นนะเพราะว่าในการปฏิบัติในแต่ละวันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ใช้ เวทนาเนี่ยเป็นเป็นตัววัดนะเป็นตัววัดความรู้สึกเอาเวทนาของเรามีสามระดับเวทนาที่สบายเวทนาที่ไม่สบายแล้วก็เวทนาที่ยังไม่แน่ว่าสบายหรือไม่สบายเราเรียกว่ า, าทุกขโมกสุ ข, ขเวทนาเวทนา <c oughs> ในบางส่วนก็เราก็เห็นชัด นะเรียกว่าสุขเวทนาเวทนาบางส่วนแล้วก็เห็นไม่ชัดสุขทุกเวทนาเป็นทุก เ, เป็นเวทนาที่หยาบเห็นได้ชัดนะแล้วก็สุขเวทนานี่เป็นเวทนาที่ประณีตละเอียดเห็นได้ไม่ชัดนะแล้วก็ในอทุกขมสุขเวทนานี่มาอยู่กึ่งกลางนะยังไม่แน่ว่า มันเป็นหยาบหรือละเอียดเขาเรียก ว, วทนาเบาแต่ว่าเราก็ไม่ชัดนั้นก็วทนาจึงเป็นตัวสำคัญมากตอนเช้าจึงเอาคำสอนของท่านโกเอนกามาเปิดให้ฟังนนสอนเรื่องเวทนาเรื่อง่า s e เซนเชชัน ก, ก็จะเป็นหลักสูตรสิบวันทรือเจน7วัน ทั้งนี้เพื่อ <c oughs> ที่จะเสริมพรในวิธีการวรัฏวิญญเนี่ยท่านไม่ได้นิ่นหนักหรือไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้จะยอมรับอะไรหนึ่งแต่ถ้าให้หยิบแต่ละส่วนความถูกต้องของแต่ละส่วนมาผสมผสานกันแต่ใช้การใช้การเจริญสติปเป็นหลักเหมือนถึงการเจริญสติปเป็นหลักเหมือนเราทานข้าวกันน้ำพริกเนี่ย เราไม่ได้กินน้ำพริกอย่างเดียวใช่มหมยังมีผักเยอะแยะเลยผักต้มผักลวกอะไรต่างๆเป็นส่วนที่จะ <c oughs> ทําให้สมดุลเหมือนกันสติของเราเนะี่ยมันก็เป็นตัวเค็มเหมือนกับ น, น้ำพริกแลวทำต่างๆที่เราหยิบมาประกอบนะมันเหมือนกับผักกับแก้มหลายๆอย่างซึ่งมีผักเยอะมันก็ดีนะ ชันใดก็ดีในการปฏิบัตินเหมือนกันเราใช้สติปัญญาเป็นหลักใช้จิตวิฐานเป็นหลั ก, ลกที่นี่เราจะเอาอะไรมาใส่มาเสือมาแล้วขึ้นอยู่กับความเหมาะสมะสมดุลของมันยนะถ้าหากมันไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะเข้มข้นไปทางใดทางหนึ่งซึ่งมันถ้าเป็นอาหารเรากินไม่ได้เช่นชู่าหรือแกงสักหม้อหนึ่งนะแล้วก็ใส่ทุกอย่าง พริกเขือเกือบะลาขาดไข่ใบกะเพราะอะไรต่างแต่และอย่างต้องสมดุลกันรถมันก็จะออกมาพอดีถ้ามันเค็มจัดกินไม่ได้เผ็ดจัดกินไม่ได้เปรี้ยวจัดก็กินไม่ได้ขาดความสมดุลอันนี้การมรรานทุกวันเนี่ยเราจะไม่คํานึงถึงมัชิมาจุดเนี่ยคือไม่ไม่ไม่นึกถึงมัชิมาปฏิปทาของในการใช้ธรรมเราเห็นว่าอะไรมันดี เราก็จะเน้นเรื่องนั้นเป็นพิเศษเพื่อขาความสมดุลแต่ว่าสติเนี่เ้าเป็นแกงก็แกงหม้อใหญ่เหมือนั้นเถอะซึ่งเราจะต้องนำธรรมะหลายหลยอย่างเข้าไปสมดุลที่เรามักจะประลบกันในวันก่อนก็เรื่องของสัมปชัญญะก็ไปสมดุลให้สติมันสติเนี่ยนะแปลงแปลงตัวเป็นสัพพัญญะถ้ามันต่อเนื่องถ้ามันทั่วถึงนะเขาเรียกว่าสัมปชัญญะ สติถ้ามันรวมกายรวมใจให้อยู่กับปัจจุบันได้ชัดเจนเขาเรียกว่าสมาธิละสติตัวนั้นก็แปลงตัวเป็นสมาธิละในขณะเดียวกันความรู้สึกชัดเจนทั้งกายทั้งใจเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะทั้งรูปทั้งนามสติตัวนั้นก็แปลงตัวเป็นปัญญาเห็นไหมมันสติตัวนั้นถึงจะเป็น ประตูก็จริงแต่เมื่อเข้าประตูไปได้แล้วเนี่ยมันก็มีประตูเล็กประตูน้อยในบ้านเราเนี่ยมีประตูหลักสักประตูหนึ่งพอเข้าไปได้แล้วประตูเล็กประตูน้อยอะไรต่างเยอะแยะไปหมดข้างในบ้านเหมือนกันถ้าเราตั้งสติในรูปในนามเหมือนเปิดประตูนั้นวันแรกมาถึงพูดสติในรูปนามก็วันนี้น่าจะมาขึ้นขั้นที่สองละเรื่องของสติที่เป็นไปในเวทนาซึ่งสาคัญ ไม่แพ้กับกายเหมือนกันนะหรือว่าเป็นการศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจทําไปด้วยว่าจะพยายามสัมพันธ์กับปัจจุบันธรรมไม่จะไม่ทิ้งห่างในการให้การศึกษาที่ให้เนี่ยมาจะไม่เข้าไปเรื่องของตำราหรือไม่เรื่องของทฤษฎีมากเกินไปแต่สัมพันธ์กับความเป็นจริงณนะปัจจุบันเสมอณนะปัจจุบันเนี่ยสมมุติเรานั่งมาตั้งแต่ อ่าที่5แล้วถึงตอนนี้ก็6โมงกว่าเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งสำหรับคนที่มีร่างกายไม่เข้มแข็งเนี่ยก็จะรู้สึกเวทนามากน้อยอาจจะปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขามากกว่าเพื่นนะแต่สำหรับคนที่มีร่างกายเข้มแข็งอีซีพร้อมเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรอ่เพราะว่ามีความมีความ ทนทานของร่างกายรับไว้ได้แต่ในขณะเดียวกันคนบางคนก็เอาตัวกายานุปัสนาเข้าไปช่วยคอยบำบัดแก้ไขร่างกายอยู่ให้พอดีอยู่เสมอแต่ตนี้สำคัญนะเพราะนั้นสติมันจะเข้าไปช่วยแก้ไขทั้งในส่วนที่เป็นอ่อนแอหรือเข้มแข็งแต่คนที่เข้มแข็งถ้าหากไม่ใช้สติ ก็ทําให้อ่อนแอได้เหมือนกันใช่ไห ม, มเขาพอนั่งทนงนานๆไม่ได้สติเพลินั่งไปก็เป็ติใส่ทุกขเวทนาบีคั้นได้เหมือนกันเพราะถึงแม้จะคนเข้มแข็งเลือนลมก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ตามไปคนอ่อนแอแต่และคนอ่อนแอถ้าหากว่ารู้สึกปรับอินทรีย์เป็น ในแต่ละท่าแต่ละจังหวะทนได้แค่ไหน5นาทีเจนาทีก็คอยปรับกำหนดรู้คอยปรับเปลี่ยนไปเวทนาดนั้นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้มขน้นไม่สังสมร่างกายที่อ่อนแอก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ดีเพราะว่ารู้จักปรับเวทนาให้พอดีหรือคนที่อ c ีเข้มแข็งถ้าปรับสติปรับเวทนาไม่เป็นก็สามารถที่จะเสวยทุกเวทนาได้เหมือนกัน อันนี้อยู่ตัวแปรถึงว่าเราแก้ไขปรับเป็นไหมนะทีนี้ในส่วนเวทนาเนี่ยมันมีอยู่ที่เราสวนมาไม่เกี่ยอามิทเวทนาที่มีอามิทเวทนาที่ไม่มีอามิทหมายความว่างไงอ่าอามิสอามิสังสุขังเวทนาเวทียามเวทียามาโนเมื่อสวยสุขที่มีอามิท อามีสั่งทุกข้ังเวทยามีติปัะชานาติก็รู้ว่าสวยสุขที่มีอมิตรมันเป็นยังไงมืหมายของว่าเวทนาที่ขณะสมมติเรเวทนาทางลิ้นนะนะมันรู้สึกอร่อยอสมมติเราทานอาหารที่จะในชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราทานอาหารรู้สึกอร่อยทูปากเป็นสุกเวทนาแล้วอมิตรมันคืออะไรคืออาหารนั่นแหละเป็นอมิตร มีเหยื่อมีเหยื่อล่อให้เกิดสุขเวทน า, าเราก็ไป อ, อยู่กับเวทนาตัวนั้นเข้มหน่อยอร่อยอุทานได้เยอะสุขเวทนามันจะทำให้เพิ่มจำนวนของความอยากได้ความอยากจำนวนมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันเราก็อ ลดความอยากลงแต่อาหารเนี่ยอร่อยไม่อร่อยมันขึ้นอยู่กือความอยากของเราถ้าเราอยากมากมันก็อร่อยมากถ้าอยากน้อยก็อร่อ ย, ออยน้อยนะถ้าไม่อยากเลยมันก็ไม่มีคําว่าอร่อยทําไปตามหน้าที่นี่เห็นไหมดังนะั้นตัวตทหามันก็เข้ามาสวมบทบาทตรงที่สุขเวทนาทุกขเวทนาถ้าเป็นสุขเวทนาการมาทหา <c oughs> ก็ทําให้อยากมากกินได้มากอร่อยมาก อ่าสติก็ขาดละทีนี้กินได้มากก็อ่าอิ่มมากทุกเวทนาก็มาแล้วในระดับต่อไปง่วงมากอืดอัดมากตามมาทุกเวทนาตามมาเพราะอาศัยเวทนาสุขเวทนาที่มีอมิตร ท, ทีนี้บท ต, ต่อมาท่านบอกว่านิลามิสังวาสุขังเวทนังเวทยะมาโนเมื่อสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตร สุขขั้งเวทนางเวทียามีติประชาติก็รู้ว่าเสวยทุกเวทานาไม่มีอามิตรเนี่ยบาที่สมมุติเอาทางลิ้นทางปากมันเห็นชาติ ด, ดีนะก็ว่าบียรสเป็นอามิตรแต่ทีนี้ถ้าลิ้นมันไม่มันรู้สึกว่ามันไม่มีอามิตรคือหมายความไม่ได้ทานอาหารเข้าไปคําว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะี่จะเกิดไหม วันนี้นึกถึงอาหารนั่นอร่อยจังาาน้าลายสอเลยใช่ไหมวันนี้อยากจะกินต้มส้มตำอะไรเงี้ยแค่นึกถึงเท่านั้นนึกถึงอันนี้เรียกว่ามันอร่อยได้เหมือนกันแต่ไม่มีอมิตรคือไม่มีเหยื่อทางที่เป็นรูปแต่เยื่อเป็นนา ม, มันมีคืออะไรคือสร้างภาพจินตนาการขึ้นมาบางวันหิวนี่นะหิวนึกอาหารชนิดที่เราเอาเอาชอบอร่อยเนี่ย มันก็หิวจัดขึ้นไปอีกไม่มีอมิตรเป็นตัวล่อแต่ให้เกิดสุขเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะเคยมีใช่ไหมนี่อันนี้เราต้องต้องดูนะว่าเวทนาตัวนี้มันละเอียดอ่อนมา ก, มากแต่ในสุขเวทนานี่เองจึงเป็นเหตุให้เกิดราคะให้เกิดโลภะมันพัฒนาไปจากตัวนี้อันนี้จะครบ กันไปเลยให้เบสเซปเป็นชุดไปเลยทั้งในส่วนที่เป็นรูปเป็นนามในส่วนที่เป็นรูปก็ทําให้เราเคยชินทําให้ปลุกเซี่ยวประสาทของลิ้นเนี่ยเคยชินเพราะนักคนเลยเลยชอบรสจัดงไงอ่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเพื่อจะไปให้สุขเวนาตามบร่อยเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นโรคภยัยคเจ็บก็มาตามรสจัดล้วทีนี้ย แล้วก็เป็นปัญหาของโลกอย่างที่เราเห็นใช่ไหมเพราะคนติดในสุขเวเนาทางลิ้นนะ <c oughs> ปรุงคีดต่างๆถ้าสมมติว่าเร า, เาทานข้าวกับผักนี่นะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วก็ทานไม่ค่อยได้เยอะก็ต้องมีอะไรอะ่ะตัวเชื่อมก็คือน้ำพริกเข้ามาเชื่อมก็ทานได้เยอะ้านน้ำพริกอร่อยผักก็อร่อยไปด้วยนะทุกอย่างขึ้นกับตัวเชื่อม ถ้าน้ําพริกมันยิ่งเปรี้ยวยิ่งเผ็ดยิ่งเค็มก็ยิ่งทานได้เยอะอีกกระปุกปกระตุน้นประสาทรับรู้ให้มันเผาผานน่ะเอารสมาเผาผานคนก็ชอบกินอาหารร้อนๆพอมันไปปลูกประสาทรับรู้ได้ดีเอากินได้เยอะเสียจแล้วลูกอะไรตามม า, าลูกกระเพาะลกูกอิ่มจัดรสหวานรสเปรี้ยวหวานก็ให้เกิดธาตุต่างๆทุ ก, ก็ตามมาใช่ไหม สุกเวทานานไล้ติดเหยื่อนะก็ตามมาเนี่ก็โอ้อาหารนี่อร่อยใครทำนะโอ้อาหารนี่อร่อยร้านไหนพัตตะคันไหนขับไหนบ้านไหน อ, อ่าไปแล้วทีเนี้ยอันนี้คือเป็นเหตุให้เกิดกามาฉันทะแล้วทีเนี้ยความอยากทั้งลิ้นกามาฉันทะก็ตามไปแล้วก็ไปยึดกินอาหารในร้านนี้นะ หรือคนนี้ทําเท่านะั้นคนนั้นกินก็คนนั้นทานในทําอาหารไม่อร่อยก็คนนั้นทานก็ไม่อยากกินได้เยอะแต่คนนี้ทานอู้คนนี้ทำํทำเราทานได้เยอะปรุงนะแล้วเขาก็ใช้ตัวนี้เป็นเหยื่อล่อมนุษย์นะพัตนาการต่างๆก็ร้านอาหารต่างๆก็ทําให้อร่อยให้ถูกปากไว้แต่ไม่คำนึงถึงไอน้นิวทริชันหรือคุณค่าทางอาหารแต่คํานึงถึงว่าทําให้อร่อยมันก็มีพิษที่นี่อมิตดอะมีพิษ ใส่น้ําตาลเยอะๆใส่มันเยอะๆหวานเยอะๆอะไรเข้าไปคนก็ติดโรคให้ข้เจีบก็ตามมาแล้วที่เห็นไหมพิษภัยของคําว่าสุขเวทนามันไม่ใช่น้อยเลยนะแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาถึงพิษภัยขนเข้ามานี่นั้นกําเนิดของคําว่ากามฉันทะกําเนิดของว่าโลภะกาเนิดของว่าลาขั้นมาจากไอ้สุขเวทนาที่เราไม่รู้เท่าทันนี่แหละ โลกทั้งโลกก็ตกเป็นทาสของอะไรวัตถุนิยมเกิดขึ้นเพราะตัวสุขเวทนาแต่ว่าถ้าคนไม่มาทําวิปัสนาจะไม่เห็นรายละเอียดที่ครบวงจรนะเราก็ตัดตอนไปเลยเพราะอะไรเพราะมันมองไม่ทะลุไงเพราะเราไม่เข้าใจปฏิสุบัทปฏิสุบัติท้องการเสวยสุขเวทนาไม่ครบวงจรเราก็ไม่เห็นเหตุปัจจัยเมื่อเห็นเปิดเปิดปัจจัยไม่เห็นเหตุปัจจัยทะลุ ป, ปู่ปวงเราจะเห็นความจริงไหม ไม่เห็นว่าความจริงสุขเวทนาก็คือทุกเวทนานั่นเองเป็นเหตุของทุกเวทนานั่นเองแต่เราก็ยังติดอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นวงจรของมันว่ามันก่อให้เกิดทุกอย่างไรนะมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะพวกเราได้เกิดมาอย่างนี้ก็เพราะสุขเวทนาใช่ไหมเสรษสุขเวทนาทางกาย สุขเวทนาทางตาสุวทาทางหูสุวททางจมูกสุขเวทนาทางลิ้นสุขเวทนาทางกายสุขเวทนาทางจิตถ้าจะลำดับไปโดยละเอียดเนี่ยสามวันสาคืนพูดทำไม่จบนะวันนี้เอาย่อๆก็แล้วกันให้เห็นเหตุตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะ่ะเราเกิดมาก็พ่ะสุขเวทนาทางทางกายใช่ไหมพอกินอาหารเยอะๆะอร่อยอร่อยเกิดความกำหนัดราคะเกิดความกำนัราคะสัญชาติญามื่อเข้าดีใช่ไหมสัญชาติญามเมื่อเข้าก็เกิดสนุกสนาน เกิดความต้องการตามธรรมชาติของมันและทีนี้มันก็เร่งเราใส่กันเป็นรูปเป็นนามเกิดขึ้นเป็นครอบเป็นคัวเป็นผัวเป็นเมียทุกไปเรื่อยๆแล้วทีนี้แต่เราไม่เห็นเหตุต้นของมันว่าทำไ ม, มจึงมาเป็นแบบนี้ที่เราจะออกจากการมราคะการมฉันทะออกจากอาตันหาออกจากโลภะเนี่ยย้อนไปหาเหตุต้นมาอีกว่าไอ้ความรู้สึกนี้มาจากอะไรเพราะเราชอบสุขใช่ไหมชอบความสบาย ไม่ชอบสุขชอบสบายมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปรักสุขตรงนั้นไปรักสุขเวทนาที่อาการที่จะเข้าไปรักสุขเวทนาได้มันก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้แหละคือต้องมีดวงตาถ้าเราไม่มีดวงตาในหรือไม่มีปัญญาดวงตาปัญญาหรือปัญญาจากสูหรือธรรมะจากสูเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าไอ้สุขเวทนาเนี่ยมันเป็นพ่เป็นโทษก็ให้เกิดทุกเวทนาไม่เห็น เราก็ต้องมาเจริญปัญญาก่อนนทีนี้ก็คือมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญสัมมาจิยะเป็นเหตุกไกให้เกิดปัญญาเป็นเหตุไกให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดก็เห็นทุกข์เห็นโทษของสุขเวทนาอันไหนที่มันสุขๆสบายสบาอร่อยอรอยเนี่ยเราเริ่มเริ่มเห็นโทษมาละการที่เราจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยเราต้องเห็นโทษด้วยปัญญานะถ้าเราไม่เห็นโทษด้วยปัญญาของเราเองไม่มี จ้างไม่มีใครพลาดเก่งขนาดไหนจะมาเทศให้นลึกซึ้งขนาดไหนในเรื่องของโทษของกรรมมีทางที่จะละได้จนกว่าเราจะลงมือทําตามอย่างที่ท่านบอกคือจเจริอนภาวนาให้เกิดปัญญาเท่านั้นเนี่ยเนี่ยแม้แต่พระเราก็เหมือนกันนะพระเราที่ทำไมปัจจุบันในพระเราบรรลุบรรลุธรรมยากเพราะพระเรามีสุขเวทนาเยอะอ่ะ อยู่กับวัดบ้านไม่ต้องเชาวเข้ามาันซไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยสวยสุขเวทนาสวยลาบสกาละนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นโยมกับบรรลุทำเห็นทำได้ไวกว่าเพราะโยมทุกกว่านี่เจอทุกรูปแบบนะนะการเมืองสังคมเศรษฐกิจปั่นป่วนเกิดวิกฤตการเจอทุกทกรูปแบบนะพระเราเอาตัวรอดไป้ก่อน <laughs> มันก็สบายดลมันสบายแล้วที่เมื่ออาทิตย์นีน้สุขเวทนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในละิมิตนะมันมันพยายามที่จะเกินลิมิตสุขเท่านี้ไม่พออยากได้ทำาอยากได้มากกว่านี้ะปีนี้ได้สองแสนปีหน้าต้องได้สามแสนกะวางเป้าวางหม่ปีหน้าต้องได้ตึกตกุฏิหลังนี้ปีหน้าต้องได้สองกุฏิขึ้นไปเรื่อยๆแหะทีเนี้ยสุขเวทนามันเพิ่มขึ้นแต่หารู้ว่านั่นคือมรนกามาลา ค, คือตันหาคืออุปาทานบางทีไม่จําเป็นหนึ่งนะแต่ถ้าพูดถึงความจําเป็นโอเคไม่ว่ากัน บางทีสร้างเกินความจาเป็นวัดหนึ่งอยู่ไม่กี่รูปแต่ว่าที่อยู่อาศัยเต็มไปหมดนะฮะมันก็คือผลของการมาลาค่าการมาชันทะในแง่ของรูปนะไม่ใช่ของกายเนี่ยเห็นไหมสุขเวทนาแค่ดูเดียวเนี่ยลองสืบสาวมันไปลึกๆดูดีว่ามันโอ้หไอเรากําเนิดมาเป็นตัวเป็น ต, น, ตนกรเพราะมันนะ่ะนะถ้าพ่อแม่เราเห็นทุกตั้งแต่แรกเนี่ยพ่อแม่เราจะกล้าสร้างเรามาไหมไม่กล้า ถ้ามันไม่เห็นทุกข์พระท่านก็ไม่มี <c oughs> ปัญญาจากสูงไงท่านมันมีวิปัสนาปัญญาที่จะเห็นว <c oughs> งจรของสุขกเวทนาว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรเมื่อไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาก็ไม่เกิดความเหนื่อยนายในความสุขกเวทนาเมื่อไม่เหนื่อยนายก็ไปเสพไปสุขไปติดไปยึดก็พัฒนานไปเรื่อยๆ โลกทั้งโลกนี้มันก็เป็นตกเป็นธาตุของสุขเวทนาแสวงหาสุข <c oughs> มีใครไม่แสวงหาทุกเวชบาลีปฏิบัติโดยเพื่อแสวงหาทุกมีไหม <c oughs> นะไม่มีไม่มีใครที่จะแสวงหามันหรอกแต่ว่ามันเท่าต้องประสบะเพราะอะไรเพราะทุกเวทนาสาเหตุมันคืออะไร มาจากสุขเวทนานั่นเองอย่าไปกลัวนะกลัวเป็นทุกขเวทนาเฉยๆไว้อ่ามันไม่ทันมันเลยเห็นไหมเขาพูดอยู่ให้ฟังอยู่นะไม่ทันมันไปกับมันเลยเพราะว่าตาเราไปสําคัญว่ามันเป็นมดเป็นแมงวัแงแรงป่องตะเข็บตะขับเรากลัวกลัวทุกขเห็นไหมเพราะเราติดสุขเวทนาไงเพราะฉะนั้นยิ่งอเมริกานี่ยิ่งรู้ธรรยากนละยเพราะอะไรเพราะติดสุขเวทนาอ่ ก็ยิ่งทุกข์ไปเรื่อยๆยิ่งติดสุขมากเท่าไร ย, ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นทำ่มถึงไม่แปลกใจว่าคนทำไมตกเป็นทาสของการมทันหาแล้วก็มีรายละเอียดเยอะไปหมดเลยจารณในไม่ไม่หมดไม่สิน้นแต่ให้รู้หลักเหมือนว่าเราชอบสุขเราชอบสบายทุกคนชอบแต่ไม่มีสิทธิชอบได้แต่อย่า ย, ยึดเพืาะให้รู้ว่าไอ้สุขเวทนาเดี๋ยวทุกข์มันตามมานะ เมื่อกี้เรานั่งนาทีแรกๆสบายๆใช่ไหมตอนนี้เป็นไงมันเริ่มขัดตรงนั้นเี่ยตรงนี้ยอกตรงนี้หนักตรงนี้หน่วงตรงนี้เริ่มเลยใช่ไหมเห็นมันมนี่ดังนั้นในวงการของสุ ข, ขเวทนานั้นก็เป็นต้นเหตุให้เกิดการเกิดราคะเกิดความอยากเกิดความร่านเกิดความปรุงแต่งเกิดความสารพัดอย่างในวงจรของความโลภทั้งหมดนี่นะ เป็นอกุศลเห็น ไ, ไหมเมื่อเราถูกความรู้ความเป็นสัญชตาตญาณอ่ะเพราะเราเกิดแก่เจ็บตายมัไม่รู้กี่ภพกี่ชานะีะยเราก็ถูกเข้มงําด้วยความรู้สึกที่นี้มาตลอด จ, จู่ๆเราจะสลัดมันทิ้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มนคนทั้งหลายจึงไม่อยากปฏิบัติไม่อยากจะมาศึกษาเรื่องนี้เพราเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้โอมันขีเนข่เหรียญยังหลายยุคูบาขวัดบุไดรดกเห็ดไปก่อนเถอะเอาบุญน้ำเอาบุญที่ เพื่อจะได้อาบุญเพื่ออะไรเพื่อจะได้เสริมกิเลสให้ปราณี้ขึ้นเท่านั้นเองไม่ใช่อาบุญเพื่อจะไล่กิเลสมันคนละทางแต่คนจิตบุญกุศลก็เพื่อจะได้ไปติดไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเพื่อจะให้กามละเอียดขึ้นเท่านั้นเองถ้าเป็นมนุษย์อวัยภูมิมันก็กามมันหยาบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมยิ่งกามยิ่งละเอียดยิ่งพรหมยิ่งเป็นตสมาธิสุขในสมาธิยิ่งละเอียดขึ้นอายุในการเสพสุขของพรหมก็เป็นหมื่นหมื่นปีอะใช่ไหม อายุขืองเทวดาหนึ่งวันเท่ากับร้ยปีของมนุษย์อะนานขนาดไหนเพราะไปทิดสุขสุร ข, ขั้นหยาบคือสุขของอายภพูมและมนุษย์สุร ข, ขัรน้นปณีตั้งแต่เทวดาปณีที่สุดสูขของพรหมก็เนื่องไปจากสุขเวทนาทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราเห็นอันตรายอย่างนี้โอสุขเวทนานมันอันตรายขนาดนี้เนาะ เราก็จะเริ่มไม่ติดสุกแล้วทีนี้ทีนี้อาหารอร่อยไหมอร่อยกิกนได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเข้งตึงพอทนก็ทนได้ทนอย่าไปเสพพระุทธเจ้าเวลาท่านไปพบพระทิสุก็ไม่ได้ทักอย่างเราทุกวนันนี้เป็นไงสุกไหมสบายไหมไม่ได้ทักงี้นะท่านทักว่าไงคขามันด้ยังอาวุโสพอทนไหวไม่ทุกเนะี่ยะเสรีละพระ สาวก็เลตว่าคำรียังพันเตพอทนได้พระเจ้าข่าไม่ได้ถามว่าสบายดีไหมวันนี้สวัสดีไม่มีนะฮะถามว่าทนได้ไหมเนี่ยทุกเนี่ยทนได้ไหมทุกถ้าหากว่าทนได้ถ้าอดทนไม่ได้อาคารียังพันเตทนไม่ได้พระเจ้าข่าเนี่ยทักันอย่างนี้นะท่านเห็นว่าของจริงมันคือทุกต้องทนแต่เราไปแสวงหาสุข ต้องเสพมันก็เลยสวนทางกับสัจธรรมมันรึงเป็นอย่างนี้เนี่ยมันถึงทุกข์กันอย่างเงี้ยน้บัดนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติเจริญสติเพื่อค้นคว้าเพื่อศึกษาสัจธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาจากสุเพื่อให้เกิดปัญญายาณเพราะตัวปัญญาจากสุและปัญญายานนี้จะไปเห็นวงจรของสุ ข, ของทุกข์กขมันเหอนเดียวกันมันไม่ใช่คนละอย่างแต่เป็นเหตุข้องกันเลยกันเพราะทุกข์มากมากอ่าทุกข์มันก็ดับ มันก็เกิดเป็นสุขเพระสุขมากสุง ม, มันก็ดับมันก็ไปวนก็อยู่อย่างนี้ทีนี้เราจะออกมาอย่างไรอ่ะเนี่ก็ต้องมาทําอย่างนี้แหละต้องมาเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเห็นที่เราสวดอ่ ะ, อะสะเพสังฆาราอนิจจิยะาปัญญายปสติอะทะนิพินทติทุเคเอะมะโควิสุติยาท่เราสวดเมื่อใด เราเห็นด้วยปัญญาอันชอบสมะมมมปัญญายาปสติเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าความคิดความอยากความต้องการสุขเวทนาทุกเวทนาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นมันเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของเสื่อมเป็นของอาพาธเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีสาระไม่มีตัวตนที่แท้จริงเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายเห็นเด้ <c oughs> อาธานิพินทติ เอสาบมะโคเรื่อนั้นย่อมเหนื่อยหนในสิ่งที่เราเสพเราสุขเราสนุกสนานน่นเหนื่อยหน่ด้วยปัญญาชอบนะถ้าไม่เกิดปัญญาชอบมันไม่เน่อหนเป็นนะเขาว่าปัญญาอันชอบเนี่ปัญญาเกิดจากตัววิปัสสนานี่เองถ้าเป็นปัญญาอื่นที่ไม่เกิดจากวิปัสสนาเราไม่เรียกว่าปัญญาอันชอบเราเห็นไหมดรศาสตราจารย์กี่ปัญญามันมันเบื่อหน่ายบ้างไหมพวกนี้ปัญญาสูงแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาอันชอบ เป็นโลเกียปัญญาไม่ใช่โลกุตรปัญญาเพราะว่าปัญญ า, า, ญญาอชอบหมายถึงโลกุตรปัญญาเท่านั้นที่จะมาเหนื่อยหน่ายการเหตุโทษในสิ่งเหล่านี้ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นเราลักเราลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอ่าอาถนิพินทติอ่าเอสามัคควิสุทธาิานั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดุดวิสุทธิยา เป็นธรรมหมดจุดหมดจุดจากสุขหมดจุดจากทุกข์หมดจุดจากอาทุกขมสุขนะนี้ถ้าหาพูดถึงเรื่องสุขเวทนาตัวเดียวเนี่ยไอตัวสองตัวไม่ต้องพูดถึงแล้วทุกขเวทนาอาทุกขามสุขไม่ต้องพูดถึงและเพราะไอตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มตน้นนะดังนั้นเราจะทําอย่างไรก็ต้องมาเจริญตัววิปัสสนาตัวนี้ให้เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้น แล้วเราก็มาศึกษาเรื่องเวทนาพูดในแง่ของผลนะที่เมื่อกี้นะที่นี้มันจะเริ่มต้นด้วยเหตุละมันจะต้องรู้เหตุของเวทนาเหตุของสุขเวทนาคืออะไรเหตุของทุกเวทนาคืออะไรเรารู้ว่าเหตุของทุกเวทนามาจากสุขเวทนาที่นี่อะไรคือเหตุของสุขเวทนาใครพอจะนึกออกไหมเราว่าทุก ความไม่สบายมันเกิดความสบายทีนี้เหตุของความสบายคืออะไรอ่าเหตุของความอร่อยเอาดีกว่า น, น้อน้ําเนี่ยเออเป็นน้ำเฉยๆเนี่ยอร่อยไหมน้ำท่าหิ้ก็อร่อยนะท่าหิ้ก็อร่อยคำว่าอร่อยเพราะธรรมชาติต้องการเราไม่เรียกอร่อยเราเรียกว่าบำบัด <laughs> แล้วก็บ <ừ> ําบัดไม่ใช่บําเบอบําเลนะฮะแต่น้ําเนี่ยโอ้กินมัอร่อยเลยเอาไปใส่อะไรไปชงกาแฟหน่อยไปชงอวนตินหน่อยไปชงอทาจุยหน่อยเอาไปทําน้ําแกงหน่อยเออร่อยกินได้เยอะคนทุกวันเลยเลยกินลืมกินน้ําบริสุทธิ์ยังไงโรคพาร์คินสันเพิงเกิดไปกินน้ําอะไรส่วนใหญ่น้ําปรุงแต่งโอ้นี่กิน กาแฟแก้วหนึ่งขึ้นมากาแฟแก้วหนึ่งพวกเราอยู่บ้านก็ตื่นมาทําไมไม่กินน้ำํำบริรสุทธิ์ชักแก้วหนึ่งไม่กินกาแฟสักแก้วหนึ่งพร อ, อะไรบอกมันไม่อร่อยอเพราะเหตุต้นของสุขเวชนะคือการปรุงแต่งใช่ไหมทีนี้ปรุงแต่งเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะจิตของเราเนี่ยจิตซื่อใสเหมือนน้าบริสุทธิ์เนี่ยเรารู้สึกตัวซื่อเนี่ยไม่ปรุงแต่งใช่ไหมที่มันเริ่ม อย่างไรอะตัวปุงแต่งเข้าไปได้ไง อ, อ, อ่าความไม่รู้เท่าทันเพราะเราเป็นธาตุของวิชามาไม่รู้คือห้องอิชาแล้วใช่ไหมเอาเพอปับเราก็สร้างอะไรขึ้นมาเฉพาะตัวรู้สึกตัวรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยที่ยังไม่มีอะไรปุงแต่งเขาเรียกว่าตัวประมรถถัดหรือรูปนามเนี่ยตัวรูปน้ ำ, นำเพื่อเป็นรูปรูปของน้ําน้ำดึงเข้าไปมันก็มี ม, มีรถห้องมั น, น่ะ เมืม่อปรุงแต่งมันก็มีรสแบบน้ำนั่นแหละรูปของน้ำเราเป็นผู้เข้าไปรับรู้ก็เป็นน้าเป็นรูปเป็นนาเป็นละมัทประละมติของมันมันยังไม่เป็นอะไรเลยแต่พอเผอสติปับ๊บความคิดที่จะเป็นนามารูปขึ้นมานี่ไอ้ตัวนามารูปนี่แหละที่เป็นเหตุนะเป็นเหตุให้เกิดการปรุงแต่งคิดขึ้นมานึกถึงน้า ก็ยังเป็นปกติอยู่นะแล้วก็ไปดื่มอะ่รพอเราคิดขึ้นมาเอาน้ำนี้สะอาดหรือไม่สะอาดเป็นแล้วอน้ำนี้ใสหรือไม่ใสน้ำนี้อร่อยหรือไม่อร่มันเป็นนามาลูกขึ้นมาแล้วเป็นความคิดแล้วตัวนั้นตัวสติหรือตัววิชาเนี่ยจึงเป็นเหตุต้นสำคัญที่จะเข้ามาแก้ไขการปรุงแต่ง ตัวไม่รู้เท่าทันคือตัวอวิชชาเป็นเหตุต้นของสุขเวทนาทุกเวทนาเพราะฉะนั้นเราจึงมาสร้างตัวรู้ไงเพราะรู้ว่าอวิชชาคือตัวไม่รู้เท่าทันเนี่ยเป็นตัวเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์เราจึงมาสร้างตัวรู้สึกตัวนะแต่ความรู้มันก็มีหลายรู้นะอรู้จากตาบังรู้จากหูบางรู้จากจมูกรู้จากลิ้นรู้จากกายรู้จากใจเยอะไม่หมดทีนี้เราจะรู้แบบไหนล่ะถึงจะรู้ ว่าที่มันรู้เท่าทันเนี่ยรู้แบบไห น, นคือรู้เข้าไปต้นตอของความรู้อะไรคือต้นตอของความรู้ก็คือจิตของเรานะจิตของเราเป็นผู้รับรู้เข้ามาทางตางหูจมูกลิ้นกายใจเจ็บเป็นผู้รับปูเป็นผู้รั บ, เ, ร บ, เ, รบเข้าไปที่จิตเลยเข้าไปดูทุกต้นตอของตัวรู้เลยคือไปดูที่จิตแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ฝึกฝนตัวดวงตาคือสติปัญญาเนี่จะเอาอะไรไปดูล่ะทีนี้ นี่ที่มันข้ามขั้นตอนที่ของอาจารย์ทั้งหลายที่บอกดูใจดูใจก็จะไปดูยังไงปัญญาวิปัสนาปัญญามันยังไม่เกิดจะเอาอะไรไปดูยิ่งดูก็ยิ่งหมุนเลยมีโยมคนหนึ่งในพรรษานี่ไม่ต้องออกชื่อแกนะนะครพนมจะมีเพื่อนเพื่อนแกมาทำบุญกับเราเนี่ยมันเป็นเจ้าภาพสร้างให้เราเแกก็โยมคนนี้ก็ไปรับอารมณ์อยู่โยมคนนั้นมาเพราะว่าแกปฏิบัติแบบดูใจ ว่าหลวงพ่อป่บดท่สอนให้ดูใจนะทําอย่างอื่นไม่ถูกดูใจอย่างเดียวดูไปดูมาก็ปรากฏ์เราเข้าไปในความคิดอ่ะแล้วความคิดมันยังไม่ถูกจัดสรรไม่ยู่ตามลําดับเลยเนะี่ยเพราะดวงตา ย, ยังไม่เกิดคลุยเข้าไปในความคิดที่ไหนได้ไปติดจินใจยานติดวิปัสนูติดวิปลาสภาพนิมิตอะไรเยอะแยะไปหมดทีนี้ปัญหามันเกิดก็คือว่าครอบครัวเดือดร้อน แกเป็นพยาบาลในที่ทํางานก็เดือดร้อนเพราะแกไปทักไปทายข้งหมดโอ้โหที่นี่เทวดาเยอะแยะโอ้ที่นี่ผีเยอะแยะแกไม่เห็นกันเลยเนี่ยถูงไม่มีตาทิพย์เลยนเนี่ยโอ้โหที่ทํางานก็เดิเลยถ้าออกพรรษามาหัวหน้างานแกมามาที่เราเลยนะั้นว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงหลวงพ่อเพราะแกก็มีความที่แกมาปฏิบัติอยู่เจ็ดวันถึงได้รู้อะไรเป็นไรทีนี้ <c oughs> เขาจะพาโยมคนนี้มาแก้อารมณ์เดียดมา อามาบอกว่าอามาไม่ได้สอนแบบนั้นมาก่อนนะเริ่มจากอาจารย์องค์ไหนไปหาอาจารย์องค์นั้นนะวะ่าถ้ามาหาแต่มาเขเริ่มต้นใหม่หมดแล้วอยู่ที่ติ ด, ตดนิพรานมาเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เขารู้แล้วนี่เพราะเขาว่าเ ข, า, า, ขาเป็นพระรหันต์และจะออกจากครอบครัวไปบวชแล้วเข้าใจว่าเป็นพระรหันต์แล้วเนี่ยจะต้องบวชภายในเจ็ดวันถ้าไม่บวชภายในเจ็ดวั น, นจะตายว่างั้นเห็นไหมไม่เชื่อตำรายอีกลูกเมียผัวมันก็เดือดร้อนเห็นไหม คือการที่เราฟังแล้วเข้าไปทําเลยโดยที่ไม่ลำดับเหตุลำดับผลเนี่ยมันแต่ไม่ใช่คำสอนของท่านผิดนะแต่ว่าโยมที่ไปรับฟังเนี่ยฟังมาผิดอมาก็บอกว่าเขาเคยโทรสารมหาตรรมาเขาก็พูดเล่ให้ฟังอเนี่ยเขารู้อย่างนี้อย่่างนี้อมาก็บอกว่าจุดบกพร่องจะแก้ไขยอย่างไรอมาต้องอโยมโย ม, โยมต้องกลับไปหาอาจารย์เดิมของโยม โยมเรียนมาจากไหนให้ไปหาอาจารย์ให้อาจารย์แก้ไขได้ท่านสอนได้ท่านก็นแก้ไขได้แต่ถ้าไปไม่กลับไปหาท่านมันจะไปถือความผิดของท่านนะโยมเป็นเป็นความผิดของโยมโอเออบอกโยมไม่ได้ผิดโยมปฏิบัติถูกแล้วเอองั้นก็ไม่ต้องพูดกันพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วถ้าไม่โยมไม่ปฏิบัติถูกโยมจะรู้อย่างนี้เลยเออก็รู้อย่างงี้มันมันเดี๋ยวร้อนคนอื่นมันรู้ไม่ถูกอะให้ก็ไม่ยอมอปล่อยไปเป็นเรื่องเป็นกรรมแกเองเห็นไหมเพราะฉะนั้น สอนบอกให้ดูใจก็จริงแต่ว่าไอ้ก่อนที่จะมาถึงขั้นดูใจเนี่ยมันต้องดูกายให้เป็นเสีก่อนถ้าดูกายไม่เป็นกายมันของหยาบของเห็นไ่ายง่ายชัดๆนั่นเองดูไม่ทั่วถึงเลยใจมันมีตัวที่ไหน่ะจิตของเราเนี่ยมันมีตัวที่ไหนไปดูมันได้ยังไงมันก็ลําดับไปจากตรงนี้แหละเห็นไหมก็ดูกายดูเทนาเนี่ยวันนี้เราจะดูเวทนากันดูกายเนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวที่บอกมาวันก่อนจะไม่ดูกายกี่ระดับหกระดับใช่ไหม ลมหายใจแล้วก็ดูเป็นหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องอะไรไปใส่มันดูอิยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเราก็ต้องฝึกดูให้เป็นดูอิยบทย่อยคู่เหยียดขึ้นไว้ยกมือสร้างจังหวะเดินจยกมก็ต้องดูให้เป็นดูทาสี่ดินน้ำโลนไฟก็ต้องดูให้เป็นดูอาการสามสิบสองผมคนเล็บฝันหนังก็ดูให้เป็นดูอสุภาคือความไม่สวยไม่งามความโสโครกโสโครของร่างกายก็ต้องดูให้เป็น แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นถ้าอยู่ไปทีละอย่างเลีย่ยงก็วุ่นวายใช่ไจะเอาอย่างไงเดี๋ยวจะไปดูลมหายใจเดี๋ยวจะไปดูธรรมชาติธาตสีเดี๋ยวจะไปดู ร, รียบทเดี๋ยวยยมันก็วุ่นไปหมดดิดูไม่ถูกท่านก็เลยบอกว่ า, าเหมือนกับอาจารย์สอนอเน้นสอนอาจารย์ตุโฉปุทิละใช่ไหม ทีว่าอาจารย์ผู้ชยสอนคนให้เป็นพระโสดาพระอนาคาพระรหันต์ได้เยอะแต่ตัวเองยังเป็นผุ้ดชนอยู่อะ่ะพระพุทธเจ้าไปหาพุทธเจา้จาเลยพรพุทธเจ้าก็ทักก็ยังไงดุโฉผู้ทีละคัมภีรเปล่าถ้าเป็นภาษาไทยไปที่ไหนก็ทักกับคำพีเปล่าเ อ, อ้เราก็สอนคนมาเยอะเนี่ยทำไมล่าเราทำพีเปล่าลูกศิษย์ลุกหาเราก็เยอะแยะเนี่ยคิดดีนี่คิดดักจะทําไง ก็เลยไปขอเรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์ที่เด่นเด่นดังๆเขาก็ไม่สอนนะเพราะอะไรสอนเขามาก่อนเนยนะเอาอาจารย์เราจะไปสอนอาจารย์ได้ยังไงในที่สุดท่านก็บอกไปหาสมณี น, น้อยไว้สมณี น, น้อยเป็นพระหลานนะเป็นสังกิจจาสมณีเนีนนะ่ยโอ้อาจารย์เอางันเลย อาจารย์จะฟังผมได้อาจารย์รู้ขนาดนี้อ๋อได้เน้นผมยอมแล้วเรางั้นเอา้ายอมจริงหรือเปล่าจริงขอรับเอา้าถ้ า, างั้นะอาจารย์ไปห่ผมผ้าห่ผมผ่อนใส่สังฆานุ่งเสบงทรงชีวอนมาให้ดีแล้วมาหาผมก็มานี่ที่กุฏิของเนนมันอยู่ใกล้สาลใช่ไหะแต่งตัวมาอย่างนี้เอา้าเรียบร้อยแนละ้วเอา้าอาจารย์ลงไปในสาลเลยางั้นหผ้ามันจะเปียกนี่อ๋อไม่เป็นไรเปียกก็ลงไปงั้น พอแล้วยังลงไปถึงหน้าแข่งพอเอาไหมลงไปอีกอย่างงินถึงหัวเขา่าพอแล้วยังเผ้ามันจะเปียกน่นเองเงั้นเอาเล่นเอาจริงเอาลงไปอย่างเงินมีการต่อรองเลยนะลงไปลงไปจนถึงคอบอพอแล้วอาจารย์ยง น, นขึ้นมาสาวนินต้องการที่จะรู้ว่าอาจารย์เนี่ยมีทิฏฐิมากน้อยแค่ไหนทําอย่างเงินเพราะนั้นประการแรกที่สุดการที่จะเห็นกายเห็นใจตัวเองได้ต้องเอาทิฏฐิให้ลง ถ้ามีตันมีมานะมีทิถิมีความเป็นตัวเป็นตนอยู่นะไม่มีทางจะแก้ไขลายเดยอาจารย์นี่รู้มาเยอะแต่ว่ามันมีคาตัวทิถีว่าเราเป็นอาจารย์เราเป็นอาจารย์กรรมฐ า, านมีลูกศิษย์หาเยอะเนี่ยทิถีดูเนี่ยมันใหญ่มากนะแล้วพระเราพระกรรมฐ า, านทั่วไปก็โดนทิถีดูนี้นครอบโยมต้องไปเตือนดยที่ให้เดนิ <laughs> นรอว่าใครจะไปกล้าแตะต้องได้ใช่ไหมเราเราก็โยว่ากลัวบาปเขาไว้อีกนะโยมก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะไปเตือนพระก็กลัวบาป ท, ทั้งๆนีว่าน่าจะสองคนฝีหรือ ว, ว่าเป็นพระแต่ความจื้งคือลูกก่านามานั้นเองถ้าเราเห็นลูกเก่านามไม่มีพระไม่มีโยมก็คือลูกเก่านามอันนี้เราไปเห็นว่าเป็นพระมันไม่เข้าใจสมมุติโยมย่าไปเตือนได้ไหพระอาจารย์ทั้งหลายก็หลงตัวเองดิเห็นไหมแล้วก็ล้มกันคลื่นคือปัญหาเยอะแยะไปหมดเนี่ยทีนี้พอขึ้นจากน้ํามาอาจารย์ไปเปลี่ยนผ้ามาใหม่ไปห่มผ้ามาใหม่แล้ก็ไปห่มผ้าของพ่อพนั่ใหม่หนึ่งก็ถามอาจารย์ อาจารย์ถ้าสมมติว่ า, อาจอมปลวกลูกหนึ่งมันมีหกลูเนะี่ยมันมีเฮียอยู่รูหนะึ่งวิ่งเข้าวิ่งออกเนะี่ยถ้าอาจารย์จะจับเฮียดูยเนี้ยอาจารย์จะทําไงอาจารย์ยกมือโอ้เน้นไม่ต้องพูดผมเข้าใจหมดเลยเพราะงั้นอา่าผมเข้าใจหมดเลยก็เลยไปปิดรูที่หกคือปิดที่ดูที่ใจงะ้นดูตาหูจมูกลิ้นกาเนี่ยไม่ต้องไปปิดให้มายากหรอกอ่ะอ หมายความว่าไม่ใช่ยังไงขอโทษคือหมายความว่าไปปิดตาหูจมูกลิ้นกายไปดูที่ใจอย่าเปิดรูเดียวสี่ห้ารูมันออกไปไม่ได้หรอกถูกปิดหมดละมันจะออกมารูนี่พ่อออกมาลูนี่ก็จับปั๊บเลยว่าไงหรือไอ้ข้าเรืออะไรก็แล้วแต่ให้จับมันได้ก็แล้วกันก็หมายความว่ามีสติปิดหูสองปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วก็นั่งดูใจหลวงพ่อชูดกันเนาะ สอนนะเคยได้ยินที่ว่ามิชีคดีใช่ไหมปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วก็นั่งดูใจอันนี้สูตรของท่านท่านว่าเป็นคนจําได้เลยหละก็หมายความมีสติเข้าไปปิดนะไม่ใช่เอามือไปปิดแต่เดี๋ยวเขาก็ทําภาพออกมาใช่ไหมภาพปิดหูปิดตาเนเอาสติเข้าไปสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาเฝ้าดูใจทีนี้สติที่จะมาสํารวมผัี่ยเรายังไม่มีอะสมาสติตัวเนี้ยเราจะเอาอะไรไปดูกายดูใจล่ะ มันยัง ม, มีหรือมีแต่ว่ามันยังไม่เข้มแข็งยังไม่แก่กล้ามันก็ปิดไม่อยู่เหลือเฮียเดวนี้มันสนเย็่ได้เพราะมัน อ, อยู่กัเรามาคิดพบกี่ชาต์อะไรเฮียเดี๋ยวเนี้ยอ่ใจของเราเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปโนนเดี๋ยววิ่งไปนี่เดี๋ยววิ่งไปหารูกเดี๋ยวไม่วิ่งหากินเดี๋ยววิ่งไปหารถถ้ววาจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยเราจะข้ามยังไงจะจับได้ยังไงก็มีทางเดียวก็คือ ม, มันออกมาจากไหนเแต่ยเดี๋ยววิ่งไปทังตากกเอาสติปิดตาไว้อย่าดู คือดูนั่นแหละแต่ว่าอย่าไปสําคัญบรรหมายว่าเป็นเราอย่างสมมุติเอามาดูพระใยญทีถ้ามาบอกพระใยญทีเนี้ยมาก็ดูแบบสมมตุติถ้าจะเรียกเขาว่าพระใยญทีก็เกิดสมมุติขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นก็ดูเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าเอามาดูว่าพระใยญทีก็ไม่เอามาก็ไม่กล้าพูดพระใหญ่ทีแกรู้อะไรเยอะแยะไปใช่ไหมเป็นนายทหารเก่าได้มีประสบการณ์ชีวิตมาหกสิบกว่าปีเนี่ย มีอะไรเยอะแยะเลยเอามาจก็สําคัญมันหมายคิดผิดไปละไม่กล้าพูดความจริงกับพยาธีล้ะเก่งใจว่าเป็นผู้มีประสบการณ์เยอะแต่เห็นว่าพระยาธีเป็นรูปเป็นนามเนี่ยก็สอนลูกสอนนามไม่สอนพระเยาธีแล้วทีนี้ใช่ไหมความเสาะมั่นหมายก็หมดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้รู้จากลูกจากนามจริงๆงแต่ลูกนามไปที่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆก็ไปดูเวทนาให้เป็น เวทนานี่ยก็ยังอยูอ่ในอารมณ์รูปนามอยู่นะไปดูสุขกัเวทนาทุกข์กัเวทนาดูความสบายไม่สบายให้เห็นเป็นรูปเป็นนามเฉยๆอย่าไปเห็นว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อ่ารูปนามมันสบายเราก็อย่าไปติดมันรูปนามมันไม่สบายก็อย่าไปติดมันแก้ไขมันปรับพอดีพอดีปรับรูปปรับนามให้อยู่ให้เห็นแต่เป็นความรู้สึกการรับรู้และความรู้สึกเท่านั้นเองว่าจะทําอะไร แล้วให้ความรู้สึกที่เป็นรูปเป็นนามเนี่ ย, ยมันปรากฏแจ้งอยู่ในใจถ้ามันยังสงสัยขำุกาคำว่ามัวมั ว, ม ว, มวเลือนๆอยู่ไม่ใช่นะยังไม่ใช่รูปนาม จ, จริงต้องให้มันขนาดว่าผลพอเทีนว่าไงลูกไหมผมเชื่ออย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้ามาบอกไอ้ที่ท่านเชื่อเนี่ยไม่ใช่เดชะเทียนหรอนะ <c oughs> มันผิดนะผมก็จะคานพุทธเจ้าว่าผมรู้อย่างนี้ว่าต้องมั่นใจขนาดนั้นนะ ผมก็จะไม่เชื่อพระุทธเจ้าไอ้ที่ผมรู้เนี่ผมรู้ด้วยเองไงต้องมั่นใจขนาดนั้นนะไอ้ที่เรารู้เนี่ยขนาดพระุทธเจ้ามาบอกว่ามันผิดก็ต้องไม่เชื่อพุทธเจ้าเพราะอะไรพระุทธเจ้าไม่ให้เชื่อท่านไงให้เชื่ออะไรเชื่อความถูกต้องอารามาสู่ศีลปริการจําได้ไหมอย่าเชื่อแต่แม้อย่าเชื่อว่าเราเป็นครูหรือเป็นศาสนาของท่านขนาดนั้นน่ะพุทธเจ้าใจกว้างขนาดไหนฝรั่งบังค่าทั้งหลายจึงมานิยมศึกษาพุทธศาสนา แต่เขาที่สอนให้เชื่อทั้งหมดใช่ไหมแต่พุทธเจ้าบอกไม่สอนไม่ให้เชื่ออะไรแต่ให้พิสูจน์สิ่งนั้นจนแจ้งแก่ใจตนเองแล้วค่อยเชื่อก็สิ่งนั้นเป็นกุศลบัณฑิตยกยงสิ่งนั้นนําไปสู่ความหมดทุกข์หมดปัญหาให้เชื่อสิ่งนั้นแต่สิ่งไหนที่มันเป็นอกุศลนําไปสู่ความทุกข์ผู้รู้ตรีเตียนก็อย่าไปเอามันจะดีขนาดไหนก็อย่าไปเอา เราก็ต้องมาสำรวจก่อ น, นว่าสิ่งที่เรารู้ล้วเข้าใจเนี่ยมันเป็นกุศลไหมนาไปสู่ความสบายไหมผู้รู้ทั้งหลายท่านตีเตียนไหมโอ้ไม่เป็นคนเชื่อสิ่งนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องรายละเอียดประกอบมันถึงเยอะไงเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเราค่อยตรวจสอบเข้าไปในตัวเวทนาก็เช่นเดียวกัน เวลามันสุขมามเราก็จะไปเชื่อมันเวลามันทุกมาเราก็จะไปเชื่อมันแต่ดูเหตุว่าสุขเวทนาทุกเวทนาทำให้เราทนได้ไหมสุขไปว่าทนได้ง่ายทุกไปว่าทนได้ยากแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าเอาพอทนได้คือไม่สุขไม่ทุกระหว่างกลางคำเดียร์ทำให้เอาสุข คำเดียังเอาพอทนได้สุขก็พอทนได้ทุกข์ก็ท น, นได้อันนั้นเป็นส่วนที่เราจะต้องทําคืออย่าให้สุขเกินไปอย่าให้สบายเกินไปสมม่าเรานั่งปั๊มเนี่ยโอ้รู้สึกไม่สบายนิดหน่อยเปลี่ยนแล้วอ่ารู้สึกไ่สบาเปลี่ยนแล้วนีแสดงเราไปติดสุขเวทนาแล้วใช่ไมไม่อยากจะให้มันทุกข์เลยอะ่ะไม่อยากให้มันทนเลยอะ่ะมันก็ไปสุขเวทนาอ่าทนไปก่อนจนกระทั่งมันทนไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนไปนะ นี่คือหลักในการที่จะศึกษาให้มันถูกอย่าให้มันทุกขเกินไปอย่าให้มันสุขเกินไปอยู่ระหว่างสุขระหว่างทุกแต่ระหว่างสุกๆเราไม่เรียกว่า อ, าอสุขกปรมสุขเวทนานะเราเรียกว่า อ, อาุเปเฆาคือเห็นเฉยๆเห็นสุขเห็นเฉยๆเห็นทุกข์ก็เห็นเฉยส่วนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนขึ้นอยู่เงื่อนไขของรูปคือกายเนี่ยถ้าทําให้เขาสุขเกินไปเขาก็ติด ถ้าเขาทำให้ทุกข์เกินไปเขาก็<ช>อ่าเป็นทุกข์เป็นโลกเปลี่ยนเบีย น, เ ป, นเป็นบาปถ้าเขาสุกเกินไปแล้วไปติดมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปอีกเห็นไหมแต่ถ้าระหว่างกลางไม่สุกไม่ทุกข์เราไม่เรียกว่าอาทุกขก็ม่สุกแต่เราเรียกอุปเปขาอ่าอุปเปขาคือเข้าไปดูเฉยๆมันมีเหตุที่จะแก้ไขก็แก้ไขมันมีเหตุที่จะดูก็ดูมีจะเหตุจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นอุปเปขาเดิมไม่ใช่ว่า เฉยๆนะอุ nenhuma, ขาว่าเข้าไปดูความจริงของมันเห็นความจริงแล้วก็จิตมันถึงจะเป็นกลางจึงจะเฉยได้แต่เข้าไม่เข้าไปดูมันจะเห็นความจริงไหมพึ่งไม่เห็นความจริงมัจิตมันจะวางเฉยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคําว่าอุเปขาจึงเป็นศับสองศั์บวกกันไงคำว่าอุปะสับหนึ่งกับอีขาอุปะไปว่าเข้าไปเข้าไปแล้วก็อีขาไปว่าดูเข้าไปดู แปลงเป็นภาษาบาลีอุปิขาเข้าไปดูอย่างพิขุก็มาอย่างเดียวกันนะพิขุมันจะคําว่าภัยพยะคําหนึ่งแล้วอีกขะผู้เห็นไผ่เรียกว่าพิขุเนี่ยเพราะนี่อีกขาดท่านรู้ว่าดูผู้เห็นภัยพิขุไม่ใช่ผู้ขอนะอแปลว่าผู้ขอนั่นไม่ดูแล้วผู้เห็นไผ่เออท่านมาพิขายจานท่านมาขอข้าวเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ถูกสาวละ ท่านเห็นภัยท่านจึงออกไปอยู่อย่างนั้นท่านเห็นภัยของวัะสงสารถึงไปเป็นมากน้อยสันโดษอยู่น้อยกินน้อยปฏิบัติมากเรียกว่าพิกขนะุแต่พิคุอีกประเภทนึ่คือขอลูกเดียวนี้ก็ไม่ได้่ะเรียกว่าปอท า, านนะนี้เห็นว่าความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาทุกเวทนานั้นเป็นรูปนามที่เราจะต้องเข้าไปเห็นให้ชัดด้วยใจของเราเองไม่จะไปเชื่อคําสอนของใครเห็นให้ชัดแก้งแก่ใจตัวเอง จนกระทั่งว่ า, าเห็นว่ารูป ก, กายของเราเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นไม่ใช่พระไม่ใช่ชี้ไม่ใช่เถนไม่ใช่เนนไม่ใช่อุบาสุอุบาสิกาเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ใครราทิเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้จิตมันก็จะวางเฉยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อใดมีสมมุติเกิดขึ้นเขามาเรียกเราว่าพระเราก็ตอบสนองว่าพระเพราะเราใช้สมมติ แต่ส่วนปรมามัดเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนสมมติเป็นเรื่องส่วนรวมนี่ถ้าหากมันเห็นผิดเพี้ยนไปจากความเปจริงหลังจากเห็นรูปดามแล้ววิปัสนูมันเข้าจินญาณมันเข้าวิปลาสมันเข้าเดี๋ยวนี้ฉันเป็นรูปดาว ม, มองเห็นเป็นรูปดาวดูอะไรเป็นเป็นรูปดาวไม่หมดไอพ่อแม่ก็ไม่ใช่พ่อแม่ของฉันนะเป็นรูปดาวแล้วนะเพราะฉะฉันจะด่าก็ได้แล้วทีเนี้นลูกผัวก็เป็นเพียงรูปเพียงดาวนะไม่ใช่ลูผลกผูใช่ยผัวฉันนะวิปลาสมันเข้าแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหม ไม่รู้จักสมมุติมันเป็นปัญญาผิดแล้วทีเนี้ยที่เขาเรียกวิปลาสเพราะไม่รู้จักสมมุติตามความเป็นจริงถ้าเรารู้จักรูปนามที่ถูกแล้วก็จะรู้สมมุติถูกใช้สมมุติเป็นทีเนี้ยอ๋ออันนี้พระนะแล้วก็กราบอันเป็นพระสมมติเขาเป็นพระอ๋อนี้ชีเนี่ยแล้วก็นับถือชีเพราะสมมุติสังคมโลกเขาอยอมรับว่าเป็นอย่างนี้ อเอออันนี้เป็นพ่อก็ปฏิบัติต่อพ่ออย่างดีเพราะอันนี้เป็นสามีเขาปฏิบัติต่อสามีอย่างดีเพราะสมมุติว่าสามีต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเราก็ทําตามสมมุตินั้นได้แต่ในส่วนตัวเราก็คือเป็นปรมัดคือใช้สมมุติให้เป็นแล้วอยู่ในโลกสมมุติแล้วก็ทําตามนั้นแต่เราอยู่ในโลกปรมัดเราก็ทํำทำความเข้าใจเมื่อว่าลูกตัวพ่อมีสมมุตินั่นก็คือเป็นลูกเป็นนามแต่ใช้ให้ถูกเขาตกลงกันว่าอย่างนั้น นี่แล้วพอเพลินลูกมันไปอย่างนั้นแล้วก็ทําตามไปด้วยใจที่ไม่ทุกข์เพราะนั้นพระสุดารสกินาคารยังมีครอบครัวอยู่ไงพอเขาใช้สมมุติเป็นนางวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบัน ต, ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ ย, ย, ยังมีครอบมีคนลูกหลานออกมาต้องเยอะแยะนนะเลยใช่ไหมอันนั้นคืออยู่สมมุติโลกก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่ใช่บฏิบัติธรรเราทิ้งลูกทิ้งปู่ทิ้งเมียขวัดไม่ใช่เงี้นนะอันนั้นก็เรื่อรู้ผิดถ้ารู้ถูกก็มีหน้าที่ไงก็ทำไปอย่างนั้น ยังมีครอบครัวก็ดูแล้งเรื่องดูครอบครัวไปแต่ถ้ามันมีทุกข์ขึ้นมาในใจเป็นหน้าที่ของเราถ้าสมมุติเรามีลูกไม่ไดีเนี่ยเราก็ไปด่าไปตีได้นเขาเรียกว่าเราไปสําคัญลูกว่าเป็นลูกแล้วใช้สมมุติผิดแล้วทีนี่ลูกก็คือลูกคือนามเราสั่งได้สอนได้ก็สั่งสอนไปตามหน้าที่เมื่อสั่งสอนอบรมเต็มที่เต็มความสามารถของเร า, ข เ, ราเขาไม่เชื่อไม่ฟังก็ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาเราก็ไม่โดงทุกข์ด้วยนี่เขาเรียกว่ารู้เรื่องของตัวเอง ไม่ทุกข์กับรูปกับนางมันนั้นใช่หมหรืเรามีสามีอ่าก็เป็นลูกเป็นนาแเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติต่อสามีเต็มความสามารถนั่นแหละตามที่เขาสมมุติกันแต่ถเมื่อสามีไม่ได้อยู่ในคอนโทรของเราเขาไปมีเมียน้อยเขาไปอกใจเขาไปกินเหล้ากินยาประพฤติเสเพลเราจะทุกข์ด้วยไหม เขไม่ทุกข์ด้วยเพราะนั้นคือลูดนามันเป็นไปตามหน้าตามกิเลสของเขาแล้วก็มีหน้าที่บอกเขาแต่บอกเขาไม่ระวังแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วก็เฉยๆท่านเองอันนั้นคือลูกนามันเป็นไปตามกรรมของเขาเราก็มาดูใจอย่าให้กรรมเกิดขึ้นกับเราเราก็มาชําระจิตของเราก็เฉยๆก็ยังปกติอยู่จะไปมีเมียน้อยกี่คนก็ยังเฉยอยู่แต่พ่อยังหวังไปมีไปได้นั่นจะเดือดร้อนนี่ก็ต้องไว้เข้าใจสมมตินั้นให้ดีนะ่ แล้วก็สบายสามีไปมีเมียน้อยหรือภรรยาไปมีสามีใหม่ก็ยิ้มได้สบายถ้าเข้าใจแค่แค่ลูกน้ำเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปไกลนะแต่ว่าลูกน้ำคร้งนี้ต้องเป็นลูกน้ำที่ไปสู่ปรมาภิษแล้วมันถึงจะทําใจได้ขนาดนั้นนะแต่ลูกน้ำในขั้นที่ยังไม่เป็นปรมาภิษเนี่ยยังเข้าๆออกๆ อ, อ, กอย่างฉั้นต้นๆเนี่ยก็ยังทุกอยู่ยังทุกอยู่เวลาจะไม่พอแล้วนะขอยกตัว อ, อย่างเอาตัวอย่างมันเยอะนะ สมคติยังไงอย่างนางวิสาขาเนี่ยแกเป็นพระโสดวรรค์ขัตตุลตุล น, น, นะหลานึแกนางสุภาตานีนางสาวสุวัตาเนี่ยไปบํารุงดูแลอุปถัมภ์พระสงอย่างดีถ้าเกิดวันหนึ่งแกช็อกเป็นลูกเป็นลูกหัวใจหัวใจวายว่าเรานะ่ยแกช็อกตายนางวิสาขาร้องไห้ร้อหงห่มที่ไม่มีว่าหลานดีเหลือเกินทําไมเป็นอย่างนี้ร้องไห้ไปหาพระสารีบุตรอ่า อามีไงคุณแม่วิสาขาทำไมร้องให้บอกหลานตายเหงี้ยเอา้าเขารู้อยู่หลานมันเป็นรูกเป็นน้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่มีหลานไม่มีอะไรเออใช่ใช่ลึกก็ลืมไปเมื่อกีนก็ได้สติขึ้นมา <c oughs> <c oughs> เาพราะได้สติก็้นมาหายร้องให้นเนี่ยเห็นไหมพระสุวรบวันขั้นต้นๆเนี่ยอย่างบางทีก็ขาดสติอยู่นะก็ต้องมีคนไปให้สติขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าพระอานาคามีพระสุวรรันที่รู้ปัญาดีแล้วเป็นพระอานาคามีเลยนะ ตัวอย่างนางมลริกานเนี่ยนะเป็นภรรยาของท้าวพันธุละพันธุละเนี่ยเป็นมหาอุปราชของพระเจ้าปเสนทิโกศุลทีนี้ไอ้คนเนี่ยเขาอิจฉามหาอุปราชคนนี้ก็ฉลาดครับนะมีลูกกับนางมลริกานี้เยอะทีเดียวแต่มลริกานี่เป็นพระอนาคามีแล้ว ทีนี้แกเป็นมหาวิราชาก็คือรองจากพระราชานนั่นเองนะใช่ไหมเป็นฝ่ายหัวหน้ารบเป็นบ้าเราก็เรียกว่าเป็นผอบธนั่นเองนะรองจากพระราชาเป็นผู้นําเหล่าทัพทีนี้มีคนไปยุว่ามหาวิราชากําลังซ่องสุมกําลังเพื่อที่จะทําการกรบฏเอาเงินไปยุยู่ถ้วดนวนพระราชาก็โหเบาละทีเนี้ฟังเออไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ของพระเจ้าเสรษฐของพระเจ้าอุเทน ก็เลยออกอุบายก็จะทำให้ถึงจะขจัดพันธุละได้ก็เลยสร้างเรื่องที่ชายแดนเกิดปัญหาลบกันสตูบุกที่ชายแดนก็แต่งให้พันธุละกับพวกทหารที่ในกลุ่มเข้าไปจัดจัดสร้างสถานรรรการณ์ขึ้นมาสร้างลหลุมพรางต่างๆพอไปถึงสถานรรรการณ์ปับ๊บเรื่องสถานรรรการณ์ไอ้ฝ่ายนี้ก็ไม่รู้ดิก็ถูกอบล้อมฆ่าตายทั้งกลุ่มเลย ทีนี้มันก็มีทหารที่รอดมาเห็นหนังสือจดหมายน้อยไปหานางบริกาว่าทั้งลูกทั้งสามีที่เป็นถูกฆ่าตายในสนามรบแกก็เน็บหนังสือโน้นเขาพบปั๊บเลยในวันรุ่งขึ้นไปดิมุาาลาษาสาริบุตกับพระกี่รูปไม่รู้นะไปฉันเคยทำสังฆทานถวาย ท, ที่สุศุลที่ในช่วงที่กาลังถวายอาหารเนี่ย คนใช้คนหนึ่งมันถือแก้วถือถ้วยอาหารเนี่ยมันลุ่นมือตกแตกเพลงลงไปถ้าหากว่าเป็นนายที่ไม่เข้าใจธรรมะก็ต้องดา่าท่าได้ใช่ไหมราราสาริบุตรก็สังเกตนางมรีกาว่านางอากจะรู้สึกไงนางก็ไปทาความอาจจยถูความรู้สึกอะไรเฉยตอนถวายอาหารถวายอาหารเสร็จพระชันเสร็จแล้ว พระสิบุตก็รู้เรื่องนี้รู้ใจของนางเมริกาแต่อยากจะให้รู้คนที่มาร่วมงานอยากให้รู้ว่านางมริกานี่เป็นใครก็เทศขึ้นเรื่องสัมมูลนิกธาหลังฉันเสร็จแล้วนะอันนี้คือประโยชน์ของหลังฉันว่าหลังจากพระฉันเสร็จแล้วต้องขอธรรมะท่านนะเรีวสัม ม, มูลนิเกธาเมื่อฉันเสร็จแล้วให้พอละลูกนี้ใครนี่มันอันนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประโยชน์สันิบุตรก็ถามว่านางมรม ร, มริกา ถ้าทายสีของเธอทำถ้วยตกแตกเธอไม่ตกใจบ้างเหลอแกก็เอาไอ้หนังสือที่เนบเนบพบออกมาเลยนี่ท่านอ่านดูนี่อะไรเนี่ยลูกและสามีถูกอรอบทำร้ายในสนามรบตายหมดไอ้เรื่องนี้ข้าพเจ้ายังไม่ตกใจแล้วเรื่องแค่นี้จะตกใจทำไมเห็นไหม ชัดเจนมากพราานะนักมีทำขนาดนั้นแต่พระสุดารบันอย่างหลานตายยังทําใจไม่ได้เลยนะนี่พระนคามีนะนี่นางมาเละกานะเป็นแม่บ้านทั้งลูกทั้งสามีถูกฆ่าตายในสนามรบยังช่วย น, นี่คือตัวอย่างว่าการที่เราจะไปเข้าใจทธรรมะเราไปนึกไปคิดเอาไม่ได้มันต้องเป็นข้อมันจริงจริงะมันต้องเป็นขึ้นมาเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติในวิธีการหัวเทียนทำไมจึงทําให้เยอะทําให้มากๆทําเพื่อให้เราสัมผัสสิ่งนั้นได้ตัวเอง การที่ปฏิบัติได้หน่อยหนึ่งครูบาอาจารย์ก็ไปสอบอารมอันนี้หน่อยนึ่ก็รวมกลุ่มกันสนทนาปัญหาทําอะไรมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีโอกาสที่จะไปดูตัวเองเลยนะไปฟังแต่ครูบาอาจารย์ครูาอาจารย์ก็โอกาสโปรโมทตัวเองไงเพนั้นรู้ไม่จริงอย่างนะี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไหวาทานแต่ว่าเวลาเราทำเราต้องสัมผัสความรู้สึกของเราจริงๆครูบาอาจารย์เป็นเพีเพื่อนให้ข้อคิดให้กําลังใจเท่านั้นไม่ใช่ผู้จะหยิบยื่นอะไรให้เรา แต่ว่าสิ่งที่เราจะสัมผัสสิ่งนั้นได้ต้องสัมผัส ด, ด้วยตัวเองเห็นรูปเห็นนามด้วยตัวเองชัดๆนะแล้วเราก็จะง่ายในการที่จะไปเห็นสมมติเห็นปรมัตดเห็นอริยสัจอะไรเบื้องต้นที่สุดเนี่ยรูปนามต้องชัดถ้ารูปนามไม่ชัดเรื่องเดียวนะสูงขึ้นไปนะมันเพี้ยนหมดนะไม่ถูกพรามันผิดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยถึงแม้อารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์ ต, ต, ต้นต้นดำๆเนะี่ยอย่าไปดูถูกทีเดียว เหมือนกับผลไม้ถ้าปลอกเปลือกไม่ได้เนี่ยกินเข้าไปเป็นไงอาซุมโมอย่างเงี้ยถ้าไม่ปลอกเปลือกกินทั้งเนื้อทั้ง <c oughs> ทั้งเปือกเป็นไงยังเป็นนึกภาพออกไหมอามอซุโมสักลูกน่งกินไปก็ได้เรื่องแหละใช่ไหมท้ อ, ทองไส้ปันป่วนทีนี้เบื้องต้นเนี่ยต้องเอาเปลือกออกก่อนแล้วจะกินอะไรจะไปค่อยว่ากันรูกนามเป็นเหมือนเปลือกต้นของ อารมณ์อมาทานและอารมณ์วิปัสนาต้องแกะออกให้ได้ต้องให้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไรลูกนามเนี่ยถ้าดิบเปลือกหนาก็ใช้เวลาหน่อยใช่ไหมถ้าเปลือกมะพร้าวมันไม่ใช่เปลือกส้มโบร่ะคนนันเป็นคนบางเปลือกอ่อางูนเปลือกอฟุตซางี้นะกินไปได้เลยไม่ต้องปลอกในในคนแบบคนบางจะรูวยไม่ต้องใช้เวลานานแต่คนหนาๆอย่างพวกเราก็ใช้เวลานานหน่อย อสามวันห้าวันเจ็วันเดือนปีสองปีมันยังไม่แจ้งเลยเนะ น, นี่ยเหมือนก็ยิงไอเปลือกมะพร้าวยาี่น ะ, ะถ้าไม่มีมีไดไม่หวังเลยยจะไปกินมะพร้าวแห้งได้น ะ, ะเราก็ต้องมารับสติรับปัญญาให้ขมนะวันนี้พูดถึงเรื่องเวทถนาเดี๋ยวมันก็ไปไกลเนาะเรื่องสุขวทนาตัวเดียวนะยังไม่รันไปไหนนะ๋ย่มันควบคุมทั้งหมดแหละก็หมดเวลาพอดีเนาะก็ ให้เอาไปพิจารณาในวันนี้ให้ได้แต่ได้ขนาดก็ตามสติปัญญาของเรานะไม่ต้องทําด้วยความอยากนะทําด้วยความรู้สึกตัวเท่านั้นถ้าทําด้วยความอยากเขี่ยวเขินวันนติดอารมณ์ใหม่โอ้ไม่ได้หลวงพ่เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนะทําตามกําลังสติปัญญาของเราก็ขออนุมโมทนาสาธุนความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งจนเห็น าทางสว่างของพระพุทธิพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ